วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดข้ามเดือนสเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งทุกวันพระพวกเราปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์แล้วก็ฟังมัธ ร, รมเทศนาครูบาอาจารย์ตลอดมาบางครั้งหลวงพ่อเองก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังหรือว่ากฎระเบียบภายในวัด มีอะไรก็ได้พูดกล่าวให้ฟังเพราะพวกเราอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันหลายหัวจิตหลายหัวใจถ้าว่าไม่ได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างพูดต่างคนก็ต่างทาบางทีความไม่เข้าใจกันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจาก ครูบาอาจารย์วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เข้ามาอยู่ในวัดของหลวงพ่อเขาเข้ามาเพื่อการศึกษาอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนก็เหมือนกันเป็นสมัมมเนนเป็นพระไปอยู่วัดครูบาอาจารย์กับเพื่อการศึกษาเมื่อศึกษาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองฝึกหัดปฏิบัติด้วยตนเองนี่แหละ อันดับแรกก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังก่อนการได้ยินได้ฟังคำเนี่ยเพราะพวกเราไม่ใช่สยามภูรู้แจ้งด้วยตนเองอเป็นสาวกะไปว่าผู้สดับสดับไปว่ารับฟังกันมาเป็นทอดๆสาวกะเป็นผู้สดับรับฟังมาจากพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าอะสยามภู เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ศึกษาด้วยพระองค์เองรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแต่พวกเราท่านทั้งหลายวะสาวกะแปลว่าผู้สดับได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าจากนั้นก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาถ่ายทอดสืบกันมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ แต่ว่ามาถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราจะว่าได้ทั้งรุ่นไหมได้หมดทุกอย่างไหมพวกเราคนใช้สติใช้ปัญญาของแต่ละท่านเอามาวิเคราะห์ประทำคำสั่งสอนที่พวกเราได้รับการศึกษาหรือว่าได้ยินได้ฟังมานั้นแต่บางเสียงบางอย่างในความคิดเห็นของหลวงพ่อเองจุดใหญ่จริงๆ ยังคงเส้นคงวาไม่มีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องสิ่งไหนที่ว่าไม่ขาดตกบกพร่องที่จุดใหญ่สติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันนี้แปลว่าจุดหัวใจของพระพุทธศาสนาสติปัฏฐานสี่ อันนี้ก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้แปลว่าหัวใจมรรคแปดอริยสัจสีไตรลักษณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ละประเด็นแต่ละข้อนำมาคิดนำมาพิจารณาดูแล้ว อันนี้คือพิจารณาอย่างไงนอนพิจารณานั่งพิจารณาเดินพิจารณาในอริยบทไหนถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าหัวใจของพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลบริสุทธิ์บริบูรณ์ในนั้นเสร็จถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นชาดกปังเป็นนิทานบ้างเป็นเรื่องเล่า เพื่อจะแนะนําสั่งสอนคู่คนยกอุปมาอุปไมยขึ้นมาบ้างอย่างเนี้ยพวกเราให้ถือเอาเนื้อหาสาระในเรื่องเหล่านั้นอย่าไปถือเอาเรื่องความเล่ามาเป็นไปไม่ได้แหอย่าไปคิดอย่างนั้นเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดเรื่องนั้นขึ้นมายกอุทาหรณ์เรื่องนั้นขึ้นมา ครูบาอาจารย์พระอัตฉริาจารย์ท่านที่ยกเรื่องนั้นขึ้นมาเพราะอะไรท่านมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านจะสอนคนในจุดนั้นอันนี้คือพวกเราต้องแยกแยะให้ออกท่านเราจะไปถือทั้งรุ่นกลับมาหรือว่าเราเป็นว่าเป็นไปไม่ได้จากนั้นก็เสื่อมถอยศรัทธาแปลว่าเราเป็นโง่โง่เง่าเต่าตุนทั้งที่ พวกเราจะไปเอาแก่นไปเอาผลประโยชน์จากต้นไม้นั้นอพอไปเหยียบหนามหน่อยหนึง่งเก็บกิ่งไม้แห้งหน่อยหนึง่งเราก็หมดความอุตสาหะวิริยะหมดแก่จิตแก่ใจอันนี้แปลว่าบุคคลอย่างนั้นท่านผู้นั้นแปลว่าจิตใจไม่สู้จิตใจไม่เอาไหน ถ้าจะว่าไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ประมวลอย่างนั้นเลยเพราะนั้นการที่เราจะฟังอะไรในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามีหลายแง่มีหลาย ม, มุมมีหลายกระทงมีหลายแนวความคิดที่ครูบาอาจารย์ยกมาอุปมาอุปไมให้ฟังแต่หัวใจแท้ๆก็คืออริยสัจทุกสมูทัยนิโรธมรร ไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจากามันตัวอิชโววายจะโมสติสมาธิอันนี้คือหัวใจแต่ประเด็นนอกนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราจะยึดเป็นกฎเกณฑ์นั้นไม่ได้และยกตัวอย่างตัวหนึ่งให้ฟัง และมีหลายประเด็นอยู่ในพระไตรปิฎกหรืออยู่ในพระสูตรที่บางคนก็เอามาถกเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบวชเมื่อเสด็จไปบวชแล้วผ้าลอยมาเองเวลาตัดพระโมลีมีพรมเอาขันมารองรับเทวดาเอาขันมารองรับเหล่านี้การล้วนแล้วจะเป็นเรื่องถกเถียงกันเรื่องเล็กๆ เ, เรื่องน้อย เรื่องไม่เป็นเรื่องอถ้าหากว่าใครจะมารับก็าตามแต่คนนั้นมีจิตใจสูงส่งก็จะเป็นเทวดาได้จะเป็นไรไปถ้าว่าพระธองค์จะไปบวชอยู่แล้วพระพุทธองค์เอาผ้าไปด้วยพระองค์ก็ขี่ออกมาผมพระองค์เองก็จะมีอะไรทําไมเราจึงไปถกเถียงกันในเสียงเหล่านั้น การที่จะให้ที่จะเป็นเนื้อจริงๆหรือจะเป็นหัวใจจริงๆคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้อะไรในคืนวันนั้นที่ท่านได้ตัดสรู้ทำอันนั้นต่างหากที่เป็นจุดหัวใจใหญ่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ทำนั่นละ่ะจุดนั้นควรจะนามาวิเคราะห์จากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา นำทำคําสั่งสอนของท่านนําแนวทางของท่านมาปรปับปรุงกายวาจาใจของเราอันนั้นน่ะที่จะเกิดสาระประโยชน์แต่ส่วนอื่นนั้นพวกเราอย่าไปถืออย่าไปติดตามในเรื่องเหล่านั้นอย่างบางคนได้ยินนิทานชาดกก็ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นสัตว์ทําไมจึงจะพูดได้แต่จุดที่พระพุทธเจ้าจะสอนจุดนั้นคืออะไร อย่างที่ท่านพูดม้าอาชะไนนิทานม้าอาชะไนนิทานชาดกม้าอาชะไนมีพ่อค้าม้ากลุ่มหนึ่งนาม้าไปขายสมัยนั้นคือสินค้าม้าสินค้าช้างเนี่ยเป็นสินค้าของพระราชาแต่และหัวเมืองเนี่ยเขาจะต้องสะสมกักตุนม้าเอาไว้ช้างเอาไว้เพื่อสู้ศึกสงครามสมัยนั้น ต่างคนก็ต่างเตรียมพร้อมเพื่อรักษาประเทศชาติของตนเองจากนั้นก็มีพ่อค้ามา้าเพาะพันุม้าขึ้นมาแล้วก็นําม้าไปขายในหัวเมืองต่างๆอันนี้ก็เป็นสินค้าในยุคสมัยนั้นเป็นสินค้าที่ว่าสําคัญนี่มีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเขาก็เลี้ยงม้าอย่างที่ว่านี่แหละอ่อทีนี้พอเขาต้อนม้าไปหรือว่าเอาม้าไปขาย ในเมืองหนึ่งพอไปถึงครึ่งทางแม่หมาตัวนั้นก็คลอดลกูกผอมีหมาม้ามันตั้งครันด้วยว่าหมามันมีท้องไปแล้วไปถึงครึ่งทางหมาตัวนั้นหมาตัวเมียตัวนั้นก็เลยคลอดลกูกแต่คลอดลูกเนี่ยมันผิดปกติพอคลอดลูกเกินมามาแม่มันก็ตายแม่ตายเดี๋ยวนั้นเลย อันนี้คือม้าอาชไนแต่ตามปกติในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ว่าทำ ม, ม้าอาชไนเกิดออกจากท้องแม่แปลว่ากระโดดออกไปเลยกระโดดออกจากท้องแม่ถึงจะเป็นม้าตัวเล็กก็ตามแต่ว่าเป็นม้าอาชไนเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวแม่เนี่แปลว่าแม่ตายอันนี้ในหลักของในพระไตรปิฎกหรือในพระสูตรท่านก็บอกว่าสิ่งที่ ลูกออกมาแล้วแม่ตายมีม้าอาชนัยหนึ่งปรีกล้วยหนึ่งขุยไผ่หนึ่งออันนี้คือเป็นหลักเรือว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าประสูตรขึ้นมาพระมารดาก็าจะสวรรคตแล้วก็ม้าอาชนัยเกิดออกมาแม่ก็ตายปรีกล้วยเกิดออกมาแม่ก็ตายขุยไผ่เกิดออกมาแม่ก็ตาย อันนี้คือท่านโพดในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้ว่างั้นเถะจากนั้นพอพ่อค้าม้านําม้าตัว น, นั้นมาถึงจุดนั้นเมื่อแม่ม้าออกลูกที่นั่นแล้วจะเอาลูกม้าไปค็รบไม่ได้เพราะตัวมันยังเล็กอยู่ก็ม้าก็เป็นม้าฝูงใหญ่ก็เลยมอบม้าตัวเล็กตัว น, นั้นให้ยายแก่คนหนึ่งบนดนมีบ้าน ที่พวกพ่อค้าม้าไปอาศัยพักอยู่บ้านของยายคนนั้นก็เลยมอบมา้าตัวเล็กที่เกิดที่แรกเกิดนั่นแนะ่ะให้แก่ยายยายคนนั้นก็พอได้ม้าน้อยตัว น, นั้นลก็พยายามเลี้ยงประคับประคองม้าตัว น, นั้นก็ใหญ่ขึ้นโดยลาดับลาดับจนถึงเป็นหนุ่มในเมื่อม้ากำลังเป็นหนุ่ม ขึ้นมาแล้วมีพ่อค้าม้ามาจากทางไกลอีกพอมาเห็นม้าตอนนั้นเตะตาเลยแบบนั้นโอ้มาตัว น, นี้ทําไมลักษณะองค์อาจท่าทางลักษณะดีเหลือเกินนอนดูจุดที่นั่นหลายวันแต่ว่าดูดูแล้วเหมือนม้าอาชนายัยหรือพ่อค้าม้าเนี่ยเขารู้ละรู้จักม้าตัว น, นี้คือม้าอาชนายัยของแคลว ปะเปียวแต่ว่าแปลกอย่างเดียวคือมันกินหมดทุกอย่างมันกินหมดทุกอย่างกินทั้งแกบกินทั้งลำยายแก่เอาอะไรให้กินมันกินหมดแต่ตามปกติม้าอาชนายเนี่ยมันจะต้องกินข้าวฉลีคลุกด้วยน้ําผึ้งข้าวตอกคลุกด้วยน้ําผึ้งเวลามันกินหญ้ามันก็กินเพียงสามใบสามยอดเท่านเองกินใบหญ้าเพียงสยอด ใบคงปลุงไปมันจะไม่กินหญ้าทั่วๆไปแต่ว่ากินของละเอียดบา ง, งั้นเะเออต้องพิธีพิธานต้องหาให้มันกินเป็นพิเศษบา ง, งั้นะแต่ม้าตอนนี้มันกินหมดทุกอย่างมันแปลกอยู่ที่เดียวทนะีนี้พอขาม้าเหล่านั้นเขาก็สังเกตอยู่นานพอจากนั้นเขาก็เลยขอซื้อม้าจากยายแก่ยายนนก็บอกอ้ย ยายขายไปได้แล้วเพราะว่าม้าตัวนี้มันอยู่กับยายมาตั้งแต่มันออกเกิดแรกเกิดเนาะน่นนะยายก็เลี้ยงมันมาตลอดยายจะขายไม่ได้แต่พอค้าม้าเนี่ก็ไม่ลดละความพยายามาพยายามอ่อนวอนยายแล้วเอาเงินทุ่มขยับขึ้นเรื่อยๆเห้ืนอนกันผลที่สุดยายก็แพ้เงินเขาเหมือนกันเหมือนกันก็เลยจําเป็นขายเขาก็ให้เหตุผลว่า มา้ามันอยู่ตัวเดียวจะอยู่ได้ยังไงยายมันก็ต้องปล่อยไปอยู่กับหมูกับเพื่อนอจะให้อยู่ตัวเดียวได้ยังไงเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอันตรายนะเขาเกิดห่างเหตุผลยายก็เลยอ่อนอาจากนั้นยายก็ขายขายให้เขาพอขายพ่อค้าม้าก็ได้ได้ม้าไปพาไปกับฝูงมา้าแต่ฝูงม้าทั้งหลายก็กลัวนะให้ข้าไปม้าอาชนายพวกม้าทั้งหลายขา ย, ยานัน เกรงกลัวว่างั้นเถะเพราะว่าฝีเท้าของมันนี่หรือบ่าความคล่องแคล่วทั้งหลายแล่นี่ม้าทั้งหลายกลัวหมดว่างั้นเถะพอฆ้าม้าก็เอาม้าไปม้าตัวนั้นไปพอไปถึงที่แล้วก็พอค้าม้าก็เอาข้าวให้มันกินเหมือนกับยายเอาข้าวให้มันกินนะั่นเอาลำ่ำเอาลำ่ำเอาแกบให้มันกินเอาข้าวให้มันกินทั้งที่ก่อนที่จะไปพ่อฆ้าม้าเขา ก, ก็ถกกัน พูดกันมา้มาตัวนี้เหมือนม้าอาชนัยอย่างโน้นอย่างนี้ดูลักษณะท่าทางครบหมดทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไมมันกินแกบทำไมมันกินลำมันกินหมดทุกอย่างพิษปกติของม้าอาชไยพอพอกาม้าเขาสนทนาพูดกันม้ามันก็ได้ยินเนีม้าเนี่เป็นม้าฉลาดผลที่สุดพอไปถึงจุดที่เลี้ยงอาหาร พอ้าม้าก็เอาข้าวเอาลำเอาแกบไปให้มันกินมมาตอนนั้นก็ยืนเฉยไม่กินเอาอะไรไปให้กินก็เฉยไม่กินพอคาม้าก็ได้เตรียมเอาข้าวตอกคุกน้ำผึ้งไปให้กินมมาก็กินเอาหญ้าสามยอดไปคุกน้ำผึ้งให้กินมมาก็กิน แต่นี้พ่อค้าม้า ก, ก็เลยบอกขึ้นว่าทําไมตะแก่อยู่กับยายตะแก่ยังกินหมดทุกอย่างทําไมไมาอยู่กับเราเออทําไมจังไม่กินทําไมถือตัวลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆว่าพ่อค้าม้านีอา่อลักษณะจะดูถูกมา้าแบบงั้นแทะอทําท่ากระแดะแบบงั้นเแทะ แต่ไปอยู่ที่อื่นอยู่กับเขากินหมดทุกอย่างทํามาอยู่กับเรา ท, ทําท่ากินอย่างนี้ม้าก็เลยกล่าวเป็นภาษาคนขึ้นว่าในเมื่อข้าอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่รู้ว่าข้าเป็นใครข้าจะต้องทําได้ทุกอย่างแต่บัดนี้พวกท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าข้าเป็นใครรู้ว่าเราเป็นม้าอาชไน พราะนั้นเราจึงทำตัวเป็นม้าอาชไนนี่นิทานทานดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในเมื่อเราไปอยู่กับคนใดก็ตามถ้าเขาไม่รู้เราว่าเราเป็นใครเราก็ทําตัวอย่างที่เขาไม่รู้เราทําได้ทุกอย่างแต่เมื่อเขารู้แล้วว่าเราเป็นใครเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่นั้นๆันี่นน คือนิทานชาดกเรื่องนี้เป็นการสอนมนุษย์คือตั้งคําขึ้นมาเพื่อสอนมนุษย์แต่ตามไม่จริงสัตว์ที่ฉานจะพูดได้อย่างไรเป็นม้าจะพูดได้อย่างไรพูดภาษาคนได้อย่างไรอันนี้คือถ้าคนไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้สําเนีกสํานึกในเรื่องชาดกที่ท่านสอน ก็มาถกเทียงกันจุดนั้นเพียงแค่นั้นนี่แหละเราต้องเก็บประเด็นให้ออกว่าชาดกแต่ละเรื่องนั้นมีจุดประสองค์อะไรที่ท่านพูดมาในเรื่องเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในหลักพระธรรมหลักพระไตรปิฎกต้องฟังต้องศึกษาให้เข้าใจมีจุดประสองค์อะไร ที่ท่านพูดในเรื่องนี้ขึ้นมาแต่บางเรื่องก็มีเนื้อหาสาระหลายเรื่องในชาดกนั้นแต่บางเรื่องก็มีชาดกที่จี้จุดลงไปเป็นจุดเป็นประเด็นให้พวกเราได้สำเนีกสำนึกในตัวของเราเองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง mm. เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง ในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดปัญญาเพราะนั้นท่านจึงว่าสุดตรมมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาการหรือทบทวนเหตุและผลว่าเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอะไรทำไม เรียว่าจินตามมยปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้นิ่งเมื่อจิตนิ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตไม่ควายแวงจิตไม่หิวโหยจิตไม่สายแสจิตไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ส่านจิตไม่กระเชนกระสายไม่แตกกระจายจิตเป็นหนึ่งเดียว เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาเห็นจริงเป็นจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้น เ, เรื่องสมาธินี่คือว่าภาวนามาย์ปัญญาภาวนาคือทําจิตให้สงบเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาจุดประสงค์หรือแก่น ของพุทธะจริงๆก็คือนี่แหละภาวนามยปัญญาเนี่ยนะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงภาวนามยปัญญามันก็เกี่ยวเนื่องกันมาหลายๆอย่างเหมือนกับต้นไม้เมันก็ต้องอาศัยปลูกมีเมล็ดขึ้นมากราปลูกพอปลูกขึ้นมาอาศัยน้ําอาศัยปุ๋ยอาศัยอากาศเพียงพอธนุถนอมวัชพืชจะให้เข้าใกล้จากนั้นก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นมา มีเปลือกมีกระพี้มีแก่นถ้าเราจะปลูกแก่นหรือเราจะต้องการพืชผลผลละมากรากไม้เอ่อหรือว่าเราจะต้องการแก่นเราก็ต้องปลูกมาอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะได้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านบำเพ็ญมานานเท่าไหร่อย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสี่อสงไข์เอ่ยกําไรแสนมหากัป อย่างเนี้ยพระอจิติมหาสาวกสองอสงไขอพระสาวกาหนึ่งอสงไข่เห็นไหยอสงไข่แปลว่านับไม่ถ้วนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจนนับไม่ถ้วนอยู่อสงไข่เนี่ยมากขนาดไหนที่ท่านบำเพ็ญมาไม่ใช่พบเดียวชาติเดียวเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ ใครจะไปรู้ว่าใครบำเพ็ญบารมี10บ0ี0สิบสามทัมามากน้อยอยางไงแค่ไหนไม่มีใครที่จะรู้นอกเสียจากท่านผู้มียาทัศนะหรือพระพุทธเจา้าหรือพระอรหันตสาวกที่ท่านมียาทัศนะท่านจะมองรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยบุญบารมีของใครมากน้อยอยางไงแค่ไหน เพะฉะนั้นถ้าบุญบา ร, รมีของใครก็เป็นของคนนั้นเราจะไปอิจฉาเราจะไปแย่งไปชิงเขาก็ไม่ได้เป็นของใครของเราแท้ๆเรื่องบุญวาสนาบา ร, รมีอย่างเขาปารถนาเป็นพระประเจกก็เป็นเรื่องของท่านปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเรื่องของท่านหรือว่าปารถนาเป็นพระอรหันตสาวกก็เป็นเรื่องของท่นง า, าน แต่ถ้าปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ปราถนาผู้ยิ่งใหญ่ผู้จะขนหรือสัตว์ออกจากโลกวัะสงสารท่านยังเล่าเป็นในพระธรมะรมมัพพทตกถาพระหันในครั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้วรจิตของผู้อื่นท่านเดินไปกับสัมมเนนสัมมาเนเนเดินตามหลังพระเีระ พระเถระท่านเป็นพระรหันต์ท่านรู้ว่าเนนคิดเรื่องอะไรเนนก็เดินตามหลังไปเดินตามหลังไปโอ้ถ้าเป็นพระรหันธธรรมดาก็ไม่มีบริษัทไม่มีบริวารไม่มีใครรู้จักถ้าปราถนาเป็นพระพุทธเจา้าก็อย่างพระพุทธเจา้าโคตมะบรมครูของเราไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชา เอาเถอะเราจะปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพอคิดได้อย่างนั้นพระเ ท, รทนรู้ไปในเนนเดินก่อนเออท่านเดินตามหลังเนนเนนก็เดินก่อนไปไปปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลานานเหลือเกินตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่เอาละ เราปรารถนาเป็นพระหารสาวกดีกว่าเพราะว่าจะได้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพราะว่าการพ้นทุกข์เหล่มีคุณค่าเสมอกันความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันในจุดนั้นพระธถระท่านก่อเอาไปเนนสัมมเนนเดินตามหลังทีนี้สมมเนนก็แปลกใจเดี๋ยวก็ให้ไปก่อนเดี๋ยวก็ให้ตามหลังเนนก็เลยถามพระธถระท่านพระอาจารย์ครับที่ให้ผมไปก่อนเพราะอะไรเอาเนนคิดเรื่องอะไร เนนก็คิดว่าผมจะปาถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นสิแล้วให้ตามหลังเนนคิดเรื่องอะไรผมจะเป็นพระอรหันสาวกเออนั่นแหละนี่แสดงว่าพระอรหรันต์ท่านเขาเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสุดเหมือนกันนะเพียงแต่เตั้งความปาถนาเท่านั้นท่านก็ยังให้ความเคารพแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระอรหันสาวกเนี่ย ท่านตั้งความปรารถนามาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญศีลทานศีลภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำเนี่ยนะอยู่ด้วยความลําบากดูคล้ายๆกับว่าฝืนใจของตัวเองฝืนกิเลสของตัวเองเพราะใจของเราโดยมากชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮา ร้องราทำเพลงปล่อยจิตปล่อยใจสนุกสนานท า, านอาหา ร, รอร่อยเที่ยวครับเที่ยวบาแต่เรามาอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในป่าดงพงไทั้งยุงทั้งลิ้นระ ว, วยงระ ว, วังเราอยู่ในปา่าอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติาถ้าจะว่าไปแล้วเป็นสถานที่ไม่พึงปรารถนาของ คนที่ชอบสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเป็นที่พอใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชอบในความสงบเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงมาชอบแนวแถวที่พระพุทธเจา้าพระหันสาวกหรือครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็อยู่ตามภูผาป่าไม้ป่ารงพงไพยอย่างที่พวกเราอยู่ในขณะนี้ อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อบําเพ็ญจิตภาวนาภาวนามายะปัญญาจุดนี้แหละถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่อึกทึกครืโค่มไปอยู่ในที่สถานที่วุ่นวายจิตใจของเราก็กปั่นป่วนจิตใจก็ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจของเราไม่สงบจิตใจไม่เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจไม่เป็นหนึ่งแล้วเราจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณา ใจรักอนิจจังทุกขังอนิตาพิจารณาอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมรตพิจารณามรตแปดแต่ตรองเรื่องมรตแปดศีล ส, สมาธิปัญญาของพวกเรามันก็มองไม่เห็นเพราะว่าเราไปอยู่ในสถานที่วุ่นวายมันมีแต่เรื่องผงทุลีควัน เ, ออเข้าตาของเราไปหมดตาฝ้าตาฟัาาฟางมืดหมัวผลันเราจึงมาหลบ มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดมาอยู่ในสถานที่พร้อมที่จะขัดเกลว์พร้อมที่จะไตรตรองพร้อมที่จะบําเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหัสนสาวกพ่อแม่กูบาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะนั้นพวกเราจึงได้มาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ เว่าอุตุส่าปายะเซนาสนะสัปปาย ะ, า ะ, นะ ป, ป, ายะปุคระสัปปายะาหาความสัปปายะในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละพวกเราเว่าเซนาสะนะสัปปายะมาอยู่นสะฐานนี่ว่าเซนาสะนะคือที่อยู่อาศัย เ, เป็นที่สงบสงัดาจากนั้นก็บำเพ็ญอะไทีภาวนาการบำเพ็ญภาวนา ตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นที่เป็นประมาจานสายของเราท่านก็ให้ภาวนาบริกรรมพุทธโธเป็นหลักให้บริกรรมภาวนาพุทธโธพร้อมขับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนำจากนั้นครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ ท่านก็นแนะนําลูกศิษย์ของท่านให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักอย่าเผลอให้มีสติอยู่กับตัวเองการก้าวเดินไปในสถานที่ต่างๆตลอดเวลาบินทบาทอย่างพระสงฆ์บินทบาทท่านได้ก้าวเดินแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลาเข้าไปบิณทบาทในบ้านก็กําหนดในก้าวเดินของตนเองขาขวาพุทขาซ้ายโธคือให้มีสติ เวลาการฉันก็เหมือนกันให้มีสติในการฉันเวลาพักผ่อนนอนเวลาปัดกวาดก็ให้มีสติในการกระทากิจการนั้นๆสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดฝืนฝึกหัดพยายามบังคับให้สติอยู่กับตัวเองในเมื่อสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดหรือพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในเมื่อสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละสติอยู่กับใจสิ่งไหนที่มันจะผ่านเข้ามาสู่ใจของเราเราก็รู้เราก็เห็นสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้มันถูกต้องเหมือนเราเฝ้าบ้านน่ะสิ่งไหนผ่านมาหมูหมากาไก่จะขึ้นมาบ้านเราเอานอกลงนักเลงอะไรขึ้นมาบ้านเราเราก็พร้อมที่จะ ไล่ลงเรีอกว่าจัดการปกป้องไม่สัตว์สาราสิงเรียกว่าคนขึ้นมาเหยียบย่ําบ้านของเราเรารักษาแต่ถ้าว่าเราหนีออกจากบ้านของเราเไม่เฝ้าบ้านหมูหมากาไก่อะไรขึ้นมาเราก็ไม่ได้สนใจเราไม่รู้เพราะเราขาดสตินี้ก็เหมือนกันสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัติ จิตตภาวนาถ้าสติขาดเมื่อไรเมื่อนั้นแปลว่าขาดการภาวนาถ้าสติอยู่กับตัวเองเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือเราภาวนาสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดทีนี้เมื่อภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิต เ, เข้าสู่ความสงบแต่เราไม่ต้องมุ่งหวังอยากจะให้มันสงบแต่เราพยายามทาให้สติอยู่กับตัวเองเท่านั้นละ่ะมันจะสงบหรือไม่สงบ เราไม่ได้มุ่งหวังเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้ก็ยังหวังผลนะแต่อันนี้ไม่ต้องหวังพยายามทำเหตุให้เพียงพอผลมันเกิดเองแต่ถ้าว่าเรามีแต่มุ่งหวังว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราทำเหตุไม่พอเราปล่อยปากละเลยปล่อยใจของเราเออเละเหย ล, ลอยลมไปเรื่อยไม่มีสติผลที่ออกมา ก็ไม่สมประกอบไม่ออกมาได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอบรมเลือบอกกล่าวสติของเราดีมีอยู่กับตัวนั่นแหละผลสมาธิเราไม่ต้องถามหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้น เมื่อสมาธิดีแล้วจิตใจมั่นคงดีแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรโดยมากสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันท่านให้พิจารณาร่างกายของตนเองให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่พระภิกษุที่บวชให ม, ม, นนม่ผู้ที่จะบวชสัมาเนนก็ตามผู้ที่จะบวชเป็นพระก็ตาม พระอุปัชฌาย์ท่านจะต้องสอนกรรมฐานห้าให้กรรมฐานห้าหนึ่งคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําท่านบอกพระอุปัชฌาย์จะบวชกระบุตรชุดท้ายภายหลังต้องให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้านั้นคืออะไรเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่นว่ากรรมฐานหท่านให้พิจารณาแยกแยะดูอีกว่าเกษาผม ผมมันเกิดเป็นเช่นเช่นงอกอยู่บนศีรษะของเราถ้าว่าเราไม่ดูแลเราไม่รักษาเราไม่สะเราไม่ล้างและมันเป็นยังไงมันสศกกระโปกไหมถ้ามันหลุดออกมาตกใส่สหรับกับข้าวเป็นยังไงขยะขยงไม้ถ้าไปเห็นผมคนอื่นอยู่ในข้าวอยู่ในหม้อแกงของเราเราขยะขยงไหม อันนี้ก็ลว่าพิจารณาผมผมเป็นของสกปรกผมอ่เป็นของไม่พึงปาถนาเมื่อเราเห็นผมตกอยู่ในสถานที่เราจะทานอาหารขนก็เช่นเดียวกันเล็บอยู่ในนิ้วมือของเราก็เหมือนกันที่เต็มไปด้วยขี้เล็บที่เราไม่ได้สะได้ล้างเรามันได้ดูเหมือนกับเราเห็นพวกที่เป็น บ้าเป็นโรคประสาทเขาอยู่ตามลําพังของเขาไม่อาบไม่ล้างเราเห็นเล็บเขาเขาเป็นยังไงถ้าว่าเราไม่รักษาของเราก็ลักษณะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเล็บฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ทําความสะอาดเป็นยังไงหนังหนังหุ่มหอร่างกายของเราถ้าว่าเราไม่ชะไม่ล้างไม่ทําความสะอาดไม่ฟอกสบู่ มันก็มีกลิ่นเหม็นออกมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเราทานอาหารเข้าไปข้างในเมื่อทานอาหารเข้าไปข้างในกระเพาะของเราก็ย่อยอาหารพอย่อยอาหารเป็นกลากพอเป็นกลากเข้ามาแล้วจํานวนที่ดูดซึมออกมาข้างนอกก็เป็นเหงือ่อมันก็ซึมออกมาเมื่อซึมออกมาเราก็ต้องได้ชะได้ล้างได้ทําความสะอาด แต่ถ้าเราไม่ชะไม่ล้างไม่ทำความสะอาดสองสามวันเป็นยังไงมีกลิ่นเหม็นเข้าไปใกล้ไครก็ลำบากใครก็ไม่อยากจะเข้ามาใกล้เพราะเหตุไรเพราะมันเหม็นนี่หละสรุปแล้วคื อ, คอร่างกายของเราหรือว่าหนังของเราเนี่ยมันเหมือนกับเปาหนังมันมีเป็นเหมือนกับเปาหนังกระเป๋าหนังใบนั้นมีมูดและกลิ่น เออคืออุจจาระและปัสสาวะอยู่ในถุงหนังนั้นเอได้เอาไปห้อยไว้เอาไปแขวนไว้เลือเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ตามออวันดีคืนดีเพราะมันมีกลิ่นเพราะมันมีมูดและกลีดมีอุจจาระและปัสสาวะอยู่ข้างในมันก็ซึมซับออกมาข้างนอกเจ้าของก็จะต้องได้เอาผ้าออมาเช็ดมาล้างมาอาบทำความสะอาดไว้อยู่เสมอ นี่แหะร่างกายของเราทุกท่านเป็นลักษณะอย่างนี้ให้พวกเรารับตานักนึกพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนจริงไหมอันนี้พิจารณาถึงตะโจหนังอันนี้แปลว่ากรรมฐานห้าเกสาผมโลมาขดหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาถึงหนังหุ้มพร้อมในร่างกายแต่งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้า แปลว่าหนังหุ้มหมดแต่ว่ามันก็ซึมซับออกมาข้างนอกเราต้องได้เช็ดได้ล้างอยู่ตลอดวันหนึ่งอาบน้ำวันละครั้งอย่างน้อยนี่แหละท่านในพิจารณากายถ้าว่าพิจารณาลึกเข้าไปกว่านั้นพิจารณาถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเ็จ หนองเลือดอุจจละปัสสวะอันนี้เราพิจารณามันก็อยู่ในร่างกายของพวกเราทุกทุกทันให้พิจารณาเป็นอันๆเป็นส่วนๆถ้าเราไปเห็นเขาชำแหละหมูหมากาไก่อะไรก็ตามถ้าเราเห็นแล้วเราควรพิจารณาการชำแหละอันนั้นเข้ามาสู่ตัวของเราว่าเราเนี่ยไม่แพ้ของเขา เขามีกระดูกหมูมีกระดูกเราก็มีกระดูกสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายมีกระดูกเราคนหนึ่งก็ต้องมีกระดูก เ, เมื่อเราเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของเราเป็นกระดูกของใครให้ถามตัวเองว่าเป็นกระดูกของเราใช่ไหมเราจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ใช่กระดูกของเราเพราะนั้นกระดูกของเรามาอยู่ในโครงร่างของร่างกายเนี่ยเพราะนั้นร่างกายของเราม่มีอะไร มีกระดูกเป็นโครงสร้างนี่นี่แหละท่านในพิจารณาแล้วท่านในพิจารณาทำไมเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยหลงร่างกายหลงาธาตุขันว่าเป็นตัวตนของเราพอหลงาธาตุขันตัวตนของเร า, เาว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายเมื่อตัวเองไม่ตายแล้วจะหลงในเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักด์ เกียติยศชื่อเสียงเอหลงไปหมดเคหสถานบ้านเรือนลาบยศจันรเสริญสุขหลงไปหมดที่ไหลที่หน้าที่เลือกสวนไล่นาเออกระดงกระดาษที่เป็นเงินหลงไปหมดเพราะว่าหลงร่างกายตัวเองเมื่อหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงสิ่งภายนอกไปด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง สอนให้พิจารณาร่างกายอย่าไปหลงร่างกายว่าเป็นของจีรังถาวรนะอย่าไปหลงว่ามันเป็นของมั่นคงนะร่างกายนี้อีกสักวันหนึ่งแตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อเราเห็นร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้จะต้องแตกสลายแน่นอนในเมื่อเราเห็นร่างกายเราแล้ว เห็นตามความเป็นจริงแล้วพิจารณาอย่างไรเมื่ อ, อไรยืนเดินนัง่งนอนหลับตื่นลืมตาเห็นแต่โครงร่างกระดูกนั่งอยู่ในเห็นแต่โครงร่างกระดูกเต็มไปหมดเต็มสลระจุบกจิกปิดนั่งอยู่เนะี่ยเราก็คือโครงร่างอีกเหมือนกันกระดูกอีกเหมือนกันถ้าเราเห็นด้วยปัญญาจริงๆเห็นด้วยความสำนึกจริงๆเห็นด้วยคนบึ้งของปัญญาจริงๆนะ ไม่ใช่ไปเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารความปรุงแต่งเฉยเฉเห็นด้วยปัญญาอันลึกซึ้งในจิตใจเห็นร่างกายของเราเห็นร่างกายของคนอื่นจากนั้นเราก็ย้อนถามมาหาตัวจิตตัวจิตก็คือตัวผู้รู้นี่แหละเท่นี่ทำไมเราหลงอะไรร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราไปให้ความสำคัญมันใช่ไหม ทีนี้มันย้อนมาหาตัวผู้รู้แล้วจ้นี่ยเมื่อพิจารณาดูแล้วสติของเราดีแล้วสมาธิของเราดีเมื่อเห็นพิจารณาร่างกายจับจุดไหนเห็นจุดนั้นพิจารณาหนังก็เห็นหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ ร, รู้แจง้งเห็นจริงจริงจงจากนั้นมาพิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้ทีนี่รู้ทําไมเราจึงไปหลง ว่ามันเป็นของเราใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมร่างกายเป็นของเราใช่ไหมเราจะไม่ตายใช่ไหมเราจะไม่แก่ใช่ไหมเราจะไม่เจ็บใช่ไหมร่างกายนี้จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมให้ถามใจตัวเองมันจะตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเมื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นเราจะยึดว่าเป็นของเราได้อย่างไรเนี่ทีนี้มันก็ส้ำเหนียกส้ำนึกขึ้นมาแล้วแตนี รู้ในตัวเองอใช่เราจะไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะผิดแล้วเพราะร่างกายของเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายในที่สุดเพราะนั้นเราจะไปยึดมัน่นถือมั่นทำไมจากนั้นมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้เนี่ยนะนี่แหละหลักธรรมะในหลักของพระพุทธศาสนาถึงจะพูดทางอื่นไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพูดทั้งวันทั้งคืน ก็ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจออตัวต้นตอตัวเรื่องราวตัวต้นเหตุมันจะจบมันจะย้อนเข้ามาหาจุดนี้เมื่อพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาไปเถอะใครจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปแต่ผลในสุดมันก็ต้องมาหาจุดนี้ถ้าไม่มีจุดนี้แล้วแปลว่าภาวนาไปกี่ร้อยกี่พัน ชาติขเขเถอะคำหน้าคำหลังไปเลยจังคำหาต้นตอไม่ได้แต่ถ้าว่าพิราณาเข้ามาหาตัวผู้รู้นั่นแล่ละนี่แปลว่าจับถูกที่ละที่นี่ดูใจใจเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราเมันปรุงฟุ้งออกไปเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องดีเรื่องชั่วออกไปจากใจเรื่องรักเ ก, เกลียดโกรธออกไปจากใจทั้งนั้น ใจ ต, ตัวนี้แหละเป็นใหญ่ใจตัวนี้เป็นหัวหน้าเรื่องราวเท่าไรออกไปจากใจเพราะฉนั้นเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจใจตัวนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็คิดอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็คิดอย่างหนึ่งสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ในจิตในใจเพราะว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงในเมื่อมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเป็นตัวของเราได้ยังไงจะเป็นตัวตนของเราได้ยังไงสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่่ตตััวนนนของเรา จากนั้นก็ปฏิเสธลงที่ใจทีนี่ใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันเกิดมันดับมันแปรปวนมันคิดปุงฟุ้งขยุกขยิกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นใช้ธรรมะอนัตตาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่าในหลักของพระพุทธเจ้าหัวใจของพุทธศาสนาเนี่คืออะไรที่เป็นหลักใหญ่คือไตรลักษณ์นี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่แหละตัวนี้แหละตัวทาลายพบชาติจะทาลายจิตใจของเรา ให้สิ้นซากไม่มาเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะทําให้จิตใจบริสุทธิ์ดุดพลมายึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงคือธรรมะอนัตตาให้พิจารณาธรรมะจุดนี้ให้มากให้เพ่งมองตัวนี้ให้มากให้ทบทวนไตรตรองจุดนี้ให้มากเรื่องใจอะไรจังทุกขังอนัตตาย่าหนีจากจุดนี้แต่จุดนั้นคล้ายๆเป็นประตูเปิดเข้ามา ให้เห็นศีล ส, สมาธิปัญญาพิจารณาอสุภะอย่างที่พวกเราพิจารณาอสุภะคล้ายๆเป็นประตูเปิดเข้ามามาถึงจุดนี้ถ้าไม่ถึงจุดนั้นก่อนเราก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายได้ยังไงในเมื่อเราพิจารณาเข้ามาจุดนั้นแล้วไล่เข้ามาเรื่อยๆจนถึงมาถึงตัวจิตตัวใจตัวผู้รู้ตัวนามธรรมตัวนี้เป็นตัวการใหญ่ วนนั้นให้พวกเราทั้งหลายอาถึงจะพิจารณาอะไรก็ตามพยายามาพวกเราจะทําจิตให้สงบสัก่อนใช่ไหมจึงยัง ม, มาพิจารณาอย่างนี้ไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นพอจะเข้ามาจุดนี้เวลาไหนเข้ามาเลยเห็นแป๊บเดียวก็ยังดีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจตัวเองเอเห็นไตล่ละของไม่เที่ยงเราเห็นไหมไม่แต่ละของไม่เที่ยงเพียงชั่วคู่ชั่วขณะก็ยังดี เ, เห็นทุกจิตใจของเราเไปกระทบกับอารมณ์ต่างๆสิ่งพอใจสิ่งที่ไม่พอใจมันกระทบขึ้นมาจิตใจของเราอับเฉาจิตใจของเราร้อนอันนี้ก็คือเราเห็นได้แล้วเป็นอนิจจ์ละเป็นทุกขังละ เ, เมื่อเราเห็นอนิจจ์ทุกขงังสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละเราก็พยายามดู ตัวนี้เข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวหรือบางการออจากนั้นก็พิจารณากายอีกเมื่อพิจารณากายหินรับปัญญาเมื่อปัญญาแล้วก็พิจารณาใจพิจารณาใจแล้วพิจารณากายพิจารณาใจนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะขั้นสูงสุดแล้วไม่หนีจากจุดนี้คือกายกับใจเท่านั้นรูปประธรรมก็นามารมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําอบรมสั่งสอนพวกเราก็ขอให้พวกเราปฏิบัติอย่างที่ว่าดนี่แหละอันนี้คือทางถูกต้องไต่ลักอนุจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ในนี้หมดมันไม่ออกไปจากนี้ กายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรนี่แหละมันอยู่ในจุดนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยถึงจะเรียงลำดับจะไล่เป็นตัวก็ตามไม่ไล่เป็นตัวก็ตามแต่เนื้อหาสาระนั้นคือจุดนี้แหละคือสติปัฏฐานสี่ที่อธิบายให้ฟังทั้งหมดอยู่ในใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคแปดสินสมาธิปัญญาทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันอยู่ในนี้หมด เพราะนันพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ดูใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจมักผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจรู้แจ้งที่ใจนะั่นแหะไม่เป็นอย่างอื่นความเศร้าหมองความพองใสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละไม่อยู่ที่อื่นให้สังเกตดูให้ดีถ้ามีปัญญาถ้ามีสติของเราดีแล้ว ดูใจเขาตัวเองแล้วเออมันก็หิงห้อยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวสว่างอยู่งั้นคล้ายๆของเวลามืดก็คือไม่พอใจกิเลสราคะโทสะโมหะสว่างขึ้นมาก็คือความพอใจมันก็มีอยู่อย่างนี้นะ่ถ้ามันมากกว่านั้นมันก็วาบขุนวาบลงเออแต่ถ้าว่าเราเอาสมาธิจับให้ดีมันก็ปิบับปับบปั บ, บ, บ, บ, บ, บ, บเนี่ยสรุปแล้วก็คือมีจุดมีต่อมนั่นเอง เ, เมื่อมีจุดมีต่อมขึ้นมาแล้วกัน น, ะนั่นแหละพบชาติมันเกิดจุดในจุดนั้นละ่ะให้ดูจุดนั้นให้ดีนะทำลายจุดนั้นรู้แจ้งจุดนั้นมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนลนะ่ะอยู่ในจุดนั้นละ่ะอยู่ที่ใจนะั่นแหะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ที่ใจไม่ใช่ตรัสรู้ที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ เ, เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปไตรตรอง พิจารณาหลังจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพุท ธ, ธะมักผลนิพพานถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมักผลนิพพานคอยพวกเราอยู่แต่ว่าพวกเราทําไม่ถูกมักผลนิพพานก็ห่างเหินจากพวกเราการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรจากนี้ไปก็นั่งสมาธินะที่นี่นะ